บทที่หกพบญาติเอาเฟรดฮิตกินตัดสินใจแวะไปเยือนครอบครัวของเขาขณะที่เขายังอยู่บนโลกนี้ก่อนที่เขาจะจากไปสู่โลกหน้าเขาหันไปหาคนนำทางของเขาแล้วเราจะไปที่นั่งกันได้ยังไงคุณก็แค่มากับผมคนนำทางบอกเราจะเดินไปตามถนนเส้นนี้ฮิตกินเดินไปตามเนินเขาสู่แนวถนน คนนำทางของเขาบอกว่าจับมือผมเอาไว้เขารู้สึกปแปลกๆกับการที่มีใครมาขอให้จับมือแต่คนนำทางยืนยันเช่นนั้นเขาจึงยอมทำตามน่าประหลาดทันทีที่เขาสัมผัสมือนั้นทุกอย่างดูกับตาล ะ, ะััรเหมือนกับทุกสิ่งหายวับไปเหมือนเขากำลังจะหลับแต่ก็ไม่เหมือนหลับเขาแค่ไม่รู้สึกตัวไปชั่วครู่ เมื่ออัลเฟรดฮิกกินรู้สึกตัวอีกครั้งเขายือนอยู่ในห้องครัวที่บ้านกำลังจับตาดูภรรยาของตัวเองเธอยือนอยู่ตรงอ่างน้ำปอกเปลือกมันฝรั่งเขาอยากรู้ว่าเธอรู้สึกถึงการปรากฏตัวของเขาหรือไม่จึงเรียกชื่อเธอแต่เธอไม่พูดอะไรไม่ได้ยินผู้นำทางบอกว่าเธอไม่ได้ยินหรอก ผมจะทำอย่างไรให้เธอได้รู้บ้างเอาเฟรดถามคุณทำอะไรไม่ได้หรอกเขาตอบแต่เธออาจสัมผัสได้ถึงการมาของคุณคุณไม่มีทางรู้ได้ตอนนี้นอกจากต้องรออีกสักพักรวบรวมสมาธิคิดถึงเธอทุ่มเทความคิดทั้งหมดไปที่เธอคิดถึงเธอให้มากเท่าที่คุณทำได้คิดถึงชื่อของเธอ ฮิกกินทําตามและในคันใดนั้นภรรยาของเขาสะดุง้งยืนตัวตรงแข็งก่อนเงยหน้าขึ้นเธอเผลอทํามีดปอกมันฝรั่งตกลงไปในอ่างภรรยาของเขาเหลียวมองไปรอบๆมีท่าทีตื่นกลัวเขาออกจากใจเสียที่ทําให้เธอเป็นเช่นนั้นจากนั้นเธอก็เดินพวดออกไปจากห้องครัวไปสู่อีกห้องหนึ่งเธอนั่งลงฟุกหน้าลงกับโต๊ะ และเริ่มร้องไห้เขารู้สึกเสียใจที่ทําให้สุดที่รักของเขาเป็นแบบนั้นอย่าต้องวนไปเลยผู้นําทางบอกเธอสัมผัสได้เธอรู้แต่เธอยังไม่เข้าใจแต่เธอก็รู้สึกว่าคุณอยู่ใกล้ๆเธอถ้าผมทําให้เธอสับสนยุ่งยากใจเช่นนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมอย่าให้เรื่องเหล่านี้มาทําให้คุณไม่สบายใจเลย คนนำทางบอกเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากพวกเขาไม่รู้เพราะไม่เคยมีใครบอกเล่าให้พวกเขาฟังถึงชีวิตหลังความตายพวกเขาไม่เคยรับทราบถึงความเป็นไปได้ในการสื่อสารและเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ภรรยาของคุณเธอสัมผัสถึงเธอรู้สึกและลึกลงไปในใจของเธอเธอรู้ ผมทำอะไรอีกไม่ได้แล้วเหรอไม่เขาตอบนี่ยังไม่ถึงเวลาคุณต้องรอไว้ทีหลังเถอะบางทีเมื่อถึงตอนนั้นเราอาจจะทำอะไรได้บ้างแล้วตอนนี้ล่ะผมคิดว่าตอนนี้คุณทำอะไรอีกไม่ได้แล้วล่ะสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คือเราควรจะกลับกันได้แล้วก็ได้ฮิดกินพูด แต่ผมอยากไปที่อื่นอีกสักสองสามที่ก่อนจะกลับไปได้ไหมคุณอยากไปที่ไหนล่ะผมคิดว่าผมอยากไปพบเพื่อนบางคนก็ได้เขาหัวเราะเมื่อรู้จุดหมายของเอาเฟรดคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมฮิกกินถามเมื่อเห็นอีกฝ่ายหนึ่งหัวเราะคงเป็นคำขอที่ปแปลกๆที่ผมขอให้เทพพาเข้าผับอ๋อใช่ เราเข้าผักและไปที่ต่างๆออกบ่อยไปเขาบอกและผมก็ไม่ใช่เทพด้วยผมคิดว่าคุณดูหน้าเคารพมากเพียงแต่คุณไม่มีปีกเขาหัวเราะอีกแน่นอนเขาว่าคุณก็ไม่มีปีกนั่นเป็นความเชื่อเก่าๆของคนเคร่งศาสนาบนโลกนั่นเป็นเพราะเขาคิดเสมอว่าเวลาคนเราจะตายคนดีจะได้บินขึ้นไปสู่สวรรค์ และยุคนั้นวิธีเดียวที่จะบินขึ้นสู่สวรรค์ได้คือคุณจะต้องมีปีกเหมือนนกผู้นำทางเป็นคนมีอารมณ์ขันฮิกกินรู้สึกว่าตนเข้ากับชายหนุ่มคนนี้ได้ดีเขากล่าวว่าผมอยากไปผับนี้ได้สิฮิกกินคิดกับตัวเองว่าอีกฝ่ายคงอิหลักอิเหลือเพราะเห็นได้ชัดว่าคนนำทางไม่รู้ว่าผับอยู่ที่ไหน ส่วนตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะไปผับได้อย่างไรในสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้เขาไม่มีสภาพร่างกายตามแบบรูปประทมผมรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรคนนำทางเอ่ยขึ้นสิ่งที่คุณต้องทำคือคิดถึงสถานที่แห่งนั้นหลับตาและเราจะไปอยู่ที่นั่นก็ได้คนนำทางยื่นมือออกมาให้ฮิกกินจับเขาคิดว่า เราคงต้องจับมือเขาอีกแล้วและเขาก็ทำเช่นนั้นสิ่งต่อมาที่อัลเฟรดฮิกกินได้รับรู้คือเขายืนอยู่ตรงบาร์เล่าของผับแห่งหนึ่งซึ่งเพื่อนเก่าทั้งสามของเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นผมเดินไปยืนข้างๆเพื่อนคนหนึ่งและทำอย่างที่ผู้นำทางบอกนั่นคือรวบรวมสมาธิคิดให้มากเพื่อนของเขากำลังจิบเบียระหว่างที่อัลเฟรดกำลังตั้งสมาธิ ท่านใดนั้นเพื่อนของเขาก็วางเหยือกเบียร์ลงบนโต๊ะดังกึกทำหน้าเลิกลักตื่นตระหนกก่อนมองไปรอบๆและพูดกับเพื่อนอีสองคนว่าตลกว่ะฉันเหมือนกับว่าได้ยินเสียงที่ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินได้ยินอะไรเพื่อนอีกคนถามกูนายไม่ได้ยินเหรอไม่เราไม่ได้ยินอะไรเขาทำหน้าเหมือนตัวเองแสดงปฏิกิริยาโง่ๆออกมา โอ้เขาคลางคงไม่มีอะไรมั้งทุกคนหัวเราะเพื่อนอีกคนกล่าวว่าเป็นอะไรพวกแค่นี้ก็เมาแล้วเหรอแต่อัลเฟรดคิดว่าเพื่อนคงได้ยินเสียงของเขานี่คือสิ่งแรกที่เขาได้รับทราบเราไม่ต้องพูดเพื่อให้คนอื่นได้ยินเพียงแต่รวบรวมสมาธิอย่างหนักใช้ความคิดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเมื่อต้องการติดต่อหรือต้องการทาอะไรสักอย่าง แล้วมันก็จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้คำพูดอย่างวิธีเก่าๆนี่คือบทเรียนแรกของอัลเฟรดหลังจากเขาผ่านไปสู่ชีวิตหลังความตายและอีกเรื่องที่เขาจะได้เรียนรู้คือมันค่อนข้างลำบากในการตัดใจจากโลกเพื่อจากไปสู่โลกใหม่ฮารี่มาปรากฏเสียงในปี1975และสารภาพว่าจูจ่ๆมันก็วูบขึ้นมาเขาบรรยาย ผมสามารถเข้าไปอยู่ในผับ Rose and c r o w d แล้วก็ไปโผล่ที่ทิมบัคตูได้อีกผมจึงตัดสินใจไปเที่ยวรอบโลกแล้วการเดินทางโดยไม่ต้องเสียเงินก็ทำให้ฮาวี่เบื่อเพราะไม่มีใครพูดคุยด้วยเขานึกถึงสมัยเด็กๆที่ไปโรงเรียนวันอาทิตย์เราเคยได้รับการสอนถึงเรื่องการไปนรกและสวรรค์และมันก็เท่านี้ผมไม่มีความสุข ลึกลงไปในใจผมต้องการมากกว่านี้และผมก็เริ่มตระหนักว่ามีใครบางคนกำลังตามหลังผมมาผมตัวแข็งไปชั่วอึดใจผมคิดว่าแล้วนี่ใครอีกละ่ะมองไปรอบๆไม่มีใครแล้ววันหนึ่งผมนั่งคิดอยู่ผมอยากไปไกลกว่านี้แล้วก็นึกได้ว่าบางทีถ้าผมไปได้ไกลกว่าสภาพเดิมๆและเลิกคิดถึงว่าจะมีใครมาช่วยผม ผมก็คงจะได้รับความช่วยเหลือผมเดินทางไปยังสถานที่ที่เคยอยู่ในสมัยเด็กมันอยู่ในซับโฟคเขาเงียบไปเล่าต่อไปสิคะเบ็ตตี้กรีนกล่าวนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคะ่ะฮาวิเล่าต่อเขาพูดถึงต้นไม้ต้นหนึ่งใกล้สายน้ำที่เขาเคยนั่งเล่นฝันกลางวันตอนเป็นเด็กผู้ชายจากนั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้า ถ้าทางเขาอายุประมาณยี่สิบสามผมอยากตกสีทองหน้าตาดีเขาสวมสูทชายหนุ่มคนนี้มายืนอยู่ตรงหน้าผมมองดูผมก็มองตอบเขาไปเราทั้งคู่ไม่พูดอะไรสักคำผมคิดว่านี่คงเป็นภาพลวงตามันเป็นไปไม่ได้ผมไม่พูดอะไรสักคำเขาก็ไม่พูดแล้วทันใดนั้นก็เหมือนกับว่าเขาเข้ามาอยู่ในใจของผม ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกระทั่งบัด น, นี้ผมได้ยินเสียงของเขาได้ยินเหมือนอย่างเวลาที่ผมพูดกับตัวเองเขาพูดว่ามันขึ้นอยู่กับคุณเพื่อนผมคิดว่าก็ใช่แล้วอะไรล่ะที่ขึ้นอยู่กับผมผมรู้สึกมึนงงมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นและเขาก็ค่อยๆถอยไป ผมพูดกับตัวเองว่าเขาช่างโง่เหลือเกินถ้าเขาถอยไปอีกคงจะต้องตกน้ําแน่ๆเพราะมีสายน้ําอยู่ข้างหลังเขาอย่างที่เล่าให้คุณฟังในตอนต้นแต่ไม่เขาไม่ได้ตกน้ําเขาลงไปสู่เบื้องล่างและผมกําลังตามเขาไปเขาไปยืนอยู่ริมน้ําและผมก็คิดว่าต่อไปสิไปแล้วเขาเหมือนว่าเขากําลังเดินข้ามสายน้ํา ผมไม่รู้ว่าทำไมแต่ในขณะที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นผมคิดถึงตัวผมเองในโรงเรียนวันอาทิตย์จำได้ว่าเคยคุยกับเพื่อนเรื่องที่พระเยซูเดินข้ามแม่น้ำแต่ชายคนนี้เป็นพระเยซูไม่ได้ผมกำลังงงไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนดีแล้วตอนนั้นเองเขากำลังถอยหลังและผมเดินตามเขาไปทุกสี่เก้าผมรู้สึกเหมือนตัวเองโง่ทึ่มแต่ก็ห้ามตัวเองไม่ได้ ถอยหลังก็ไม่ได้ผมคงต้องตามเขาไปจู่ๆก็เหมือนมีคนผลักข้างหลังให้ผมถลาเข้าไปในลิฟต์หรืออะไรสักอย่างผมกาลังลอยขึ้นไปในอากาศแน่นอนเขาก็ลอยขึ้นไปด้วยพระเจ้าผมหลับตาแน่นผมอยู่ในสภาวะที่สับสนทันใดนั้นก็เหมือนกับว่าผมกำลังลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงเป็นใหม่ๆทุกอย่างดูไกลออกไป กล่องไฟบนหลังคาบ้านและยอดไม้จูๆ่ๆมันก็เหมือนเราลอยขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆและผมก็เห็นเครื่องบินบินมาตรงมาหาผมให้ตายเถอะผมอยากให้ตัวเองลอยได้เร็วกว่านั้นจะได้พ้นเครื่องบินแล้วผมก็คิดถึงตัวเองตลกดีนะคนเราจะต้องมาคิดถึงเรื่องต่างๆในเวลาเดียวกันผมคิดว่ายังไงซะ เขาคงแตะต้องตัวผมไม่ได้เพราะผมตายไปแล้วอย่างไรก็ตามผมอยู่กับผู้ชายคนนั้นเราลอยไปด้วยกันและกําลังลอยสูงขึ้นสูงขึ้นจนดูเหมือนเรากําลังใกล้เข้าหากันทุกทีผมอธิบายไม่ถูกในทันใดนั้นก็คล้ายกับมีเสียงเพลงดังก้องกังวานเข้ามาในหูผมและผมก็หมดสติไปความรู้สึกต่อมาเหมือนผมฟื้นขึ้น ตื่นจากการหลับไหลขึ้นมาอยู่ในห้องที่สวยงามสวยมากสะอาดสบายตาเตียงหน้านอนผ้าคลุมเตียงน่ารักทุกอย่างถูกขัดจนขึ้นเงาสะอาดและมีแสงสว่างสาดเข้ามาทาั้งหน้าต่างผมเห็นนกด้วยมันมีนกร้องเพลงอยู่ข้างนอกและผมก็ถามตัวเองว่านี่เราอยู่ที่ไหนผมจับต้นชนปลายไม่ถูกนึกอะไรไม่ออก ผมเลยคิดว่านอนต่อไปก็แล้วกันพักผ่อนให้สบายไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมานั่งกระวนกระวายแล้วประตูก็เปิดออกถึงตอนนี้แค่ขนนกลนใส่ผมก็สลบได้เพราะสิ่งที่ผมเห็นก็คือคุณแม่ของตัวเองฮาวีเล่ามาจนถึงที่สุดดูเหมือนทุกคนจะไปจนถึงจุดจบแต่ประสบการณ์ของเขาไม่ธรรมดา สำหรับบุคคลผู้มีชีวิตปกติสามัญเขาให้ข้อมูลเป็นหลักฐานว่าการเดินทางจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าอาจใช้เวลา น, านานกว่าการเดินทางจากบ้านในเขตนอกเมืองเข้ามาทำงานในเมืองในวันธรรมดาเช่นเดียวกับการเดินทางของคุณบิ๊กแห่งบัคกิงแฮมเชียร์ซึ่งมาเล่าเหตุการณ์ให้หวูดกับนางกรีนฟังอย่างละเอียดเมื่อปี1968 ชีวิตติดดินของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ข้อพิสูจน์บางประการคุณบูดหรือเขาถามด้วยน้ำเสียงเรียบๆใช่ครับบูดตอบงั้นถูกแล้วเสียงนั้นตอบคุณกรีนผมคิดว่าใช่นะได้ยินเรื่องของพวกคุณมามากเหมือนกันใช่เกี่ยวกับงานที่คุณทำนี่เป็นงานที่น่าสนใจมากนั่นเป็นเสียงของคนมีอายุแต่สำเนียงแปรง เหมือนเสียงของช่างฝีมือชาวชนบทหรือเจ้าของร้านขายของที่มีการศึกษาน้อยแต่มีพรสวรรค์นในการแสดงออกคุณกำลังบันทึกเทปอยู่หรือเขาถามใช่ค่ะเบ็ตตี้กรีนตอบเปิดมันให้คนอื่นฟังเพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรคุยกับเราฉันเพื่อนเธอค่ะเบ็ตตี้กรีนบอกผมเหรอโอ้ที่รัก ผมไม่ใช่คนที่อยากจะคุยกับพวกคุณเหมือนคนบางคนที่นั่นหรอกนะคุณจะไม่บอกเราเหรอคะว่าคุณเสียชีวิตอย่างไรและจากไปสู่อีกที่รู้สึกตัวได้อย่างไรอ๋อผมแค่ตายบอกเราได้ไหมคะว่าคุณรู้สึกตัวเองได้อย่างไรปฏิกิริยาของคุณที่มีตอนที่รู้ว่าตัวเองเสียชีวิตอพอได้สิผมนั่งอยู่ที่เก้าอี้ของผมอ่านหนังสือพิมพ์ที่เพิ่งมาส่ง ตอนนั้นรู้สึกแปลกๆเหมือนตลกนะผมถอดแว่นสายตาออกวางมันลงบนโต๊ะและคิดจะนั่งเงียบๆ เ, เฉยๆสักพักแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองลอยไปครู่ต่อมาเท่าที่ผมรู้ก็คือผมยังนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกผมกำลังยืนดูแล้วก็ก้มดูผมเห็นตัวเองนั่งอยู่บนเก้าอี้และมีหนังสือพิมพ์วางอยู่บนโต๊ะข้างๆแว่นสายตาของผม มันน่าประหลาดไหมล่ะประหลาดมากผมสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกจากนั้นผมก็ตระหนักถึงความจริงมีคนกําลังเคาะประตูผมยืนหยุดตรงนั้นมองดูตัวเองนั่งอยู่ที่เก้าอี้พร้อมกับได้ยินเสียงคนเคาะประตูนอกจากนั้นผมมองเห็นอีกว่าใครเป็นคนเคาะประตูน้องสาวของผมเองบ้านเธอหยุดถัดออกไปสองสำหลังผมคิดว่า โอ้ฉันจะทํายังไงดีฉันเปิดประตูไม่ได้ตอนนั้นผมตกใจมากเสียงเคาะประตูดังอยู่และผมคิดว่าตัวเองกําลังฝันหรือเป็นอะไรสักอย่างอยากให้ตัวเองตื่นขึ้นมาจะได้ลุกขึ้นไปเปิดประตูให้น้องสาวแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมก็เห็นเธอพละจากประตูเดินลงไปตามทางเดินแสดงท่าทางไม่พอใจหรือลังเลใจ ผมคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงดีหลังจากสองสามนาทีผ่านไปเธอกลับมาพร้อมตำรวจนายหนึ่งที่รักเธอไปหาตำรวจและพาเขามาทำไมทันใดนั้นผมก็นึกออกจริงสิเธอเข้าบ้านไม่ได้เพราะอย่างนั้นเธอคงเป็นห่วงผมหรืออาจจะไม่พอใจก็ได้ผมคิดว่าผมทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนอยู่ตรงนั้นตรงข้างๆร่างของตัวเอง ฟังดูแปลกนะแล้วผมก็คิดว่าถ้าเธอเข้ามาเห็นผมฟุบอยู่ตรงเก้าอี้เธอคงจะตกใจผมคงต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นเลยเข้าไปขย่าตัวเองเหมือนคนบ้าจะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมคิดว่าตัวเองจะทำอะไรต่อไปดีแล้วตำรวจก็เข้ามาทางหน้าต่างเขาเข้ามาในห้องผมจาเขาได้ผมเคยเห็นเขาหลายครั้งเวลาที่ออกตรวจพื้นที่จากนั้น เขาก็เข้ามาเขย่าตัวผมเขาคิดว่าผมคงหลับไปเหมือนที่ผมคิดอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจึงรับทราบว่าผมตายแล้วเขาเปิดประตูแน่ละน้องสาวของผมวิ่งพรวดเข้ามาเธ อ, อยืนนิ่งสงบเท่าที่ผมจำได้เมน้องสาวของผมเงียบกริบพวกเขาตามหมอมาแต่ด็เตอร์ฟอร์สเคสก็ช่วยอะไรไม่ได้ ก็น่าจะรู้อยู่แล้วผมพยายามปลอบน้องสาวเธอคงมองไม่เห็นผมเดินไปหาเธอเอามือแตะไหลเธอพยายามบอกเธอว่าผมสบายดีที่เธอเห็นน่ะมันไม่ใช่ตัวผมผมยืนอยู่ข้างเธอจังหาบทว่าเธอกลับไม่รู้สึกอะไรเลยเธอแค่นั่งซึมอยู่ตรงนั้นแล้วหมอก็ไปแล้วพวกเขาก็กลับมาอีกมารับร่างของผมไป พวกเขาโยนร่างของผมเหมือนโยนกระสอบมันฝลั่งเก่าๆผมคิดว่าผมคงไม่ตามพวกเขาไปหรอกผมจะอยู่ในบ้านคงได้นั่งเก้าอี้ที่ตอนนี้มันว่างเปล่าไปแล้วแล้วผมก็นั่งลงพยายามคิดปัญหาให้ตกน้องสาวของผมกลับออกไปแล้วผมก็ได้อยู่ในบ้านตามลำพังจูจ่ๆเหมือนเตาผิงหายไปก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงตรงที่มีเตาผิงมีผนังมันหายไป แล้วผมก็ได้เห็นทุ่งหญ้าสีเขียวงดงามมีต้นไม้และนั่นผมอยากเรียกมันว่าแม่น้ําแต่มันเป็นลําธารเล็กๆและผมเห็นอะไรบางอย่างหรือบางสิ่งที่แรกผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันกําลังตรงมาหาผมผมมองออกไปแล้วพอเห็นได้ชัดอ้าวนั่นแม่ของผมเองที่รักท่านดูคล้ายเออเหมือนที่ผมเคยเห็นท่านในรูป ยังแผนไว้ตรงผนังในตรงห้องนอนของแม่รูปตอนท่านแต่งงานหนแรกท่านเดินมาจากจุดที่เคยมีเตาผิงมีฝาผนังตรงมาหาผมแล้วยิ้มให้อย่างมีความสุขมาเถอะลูกเอ๋ยลูกไม่อยากอยู่ที่นี่หรอกมันไม่ดีพอสําหรับลูกที่จะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเห็นลูกเมยเขาไม่รู้หรอกมาอยู่กับแม่เถอะนะผมไม่เข้าใจ ลูกก็รู้ว่าทุกอย่างตอนนี้มันสิ้นสุดลงแล้วท่านบอกลูกตายไปแล้วลูกรู้ดีลูกคงไม่ต้องการหยุดอยู่แค่ตรงนั้นนั่งฟุบตรงเก้าอี้อยู่ในห้องนี้บ้านเก่าๆที่ลูกเคยอยู่ท่านเริ่มเล่าให้ฟังถึงวิธีปลดปล่อยตัวเองผมคิดว่าหลายปีมานี้ผมอยู่คนเดียวอยู่ได้โดยลําพังไม่ต้องพึ่งใครสุนัขตัวเก่าของผมตายไปหลายปีก่อน แล้วผมก็ไม่มีแก่ใจที่จะเลี้ยงสุนัขตัวใหม่ผมรู้ว่าตัวเองคงมีชีวิตยอยู่ได้อีกไม่เท่าไหร่เพื่อจะเห็นมันตายและก็ไม่ยุติธรรมสำหรับสัตว์ที่น่าสงสารลูกมากับแม่เธอท่านบอกเรามีมิกด้วยนะมิกเหรอนั่นคือชื่อสุนัขของผมใช่จ่ามิกเราเลี้ยงมันไว้เพื่อรอลูกโอ้ผมอยากเจอมิกผมบอกแล้วผมก็ไปกับแม่ของตัวเอง บิกเดินทางจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าถึงเวลาที่จะต้องไปกับเขาและดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราไปถึง